กับต้องการที่จะให้มันทันใจต้องการที่ให้มันเสร็จต้องการให้มั น, มนดีแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยบางทีมันเหนื่อยไม่จบไม่สิน้นดังนั้นหลักชาวพุทธของเราถ้าไม่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตอย่างนี้ชาวพุทธพวกเราไ ม, ไม่ได้นับถือพุทธเลยนะแต่นับถือาศาสนาคิดาศาสนาคิดาศาสนานึกอเราไม่ได้ถือาศาสนาพุทธไม่ได้ถือาศาสนารู้แต่ไปนับคือาศาสนาคิด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 ผู้คนซักผ้าถามว่าผู้คนซักผ้าสารเหมือนกันไหมไม่สะอาดเนะีนะเหมือนกันทุกคนยกมา้ายกมือทุกคนกําหนดรู้ถามว่าเกิดปัญญาเหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้นเองตรงนี้เราต้องไม่เสียเวลาชีวิตไปวันๆถ้าเราจะบอกว่าเออถึงเวลาก่อนค่อยภาวนาตอนนี้ขอทํางานก่อนยังไม่ภาวนาอันนี้คิดผิดแหละการภาวนามีได้ตลอดเวลา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 สติปัญญาสองขยับด้วยตัณหาอุปาทานขยับด้วยอะไรถ้าขยับด้วยสติปัญญาเป็นความจริงอันที่สามมีอยู่ในตัวเราและอันที่สี่เราขยับข้างเดียวพอไหมนั่งเรวสักชั่วโมงไม่ต้องขยับเลยขยับข้างเดียวพอไหมทำอย่างเพียงจะพอต้องขยับบ่อยๆต้นนั้นเรียกว่ามักมีแม้ความจริงเนีน่ยในตัวเรา